จะบอกไม่ไม่ได้ทําอะไรแค่รู้สึกร่างกายมันทําอะไรรู้สึกจิตใจมันแอบไปทําอะไรรู้สึกนะร่างกายจิตใจมันจะทํางานทั้งวันทั้งคืนห้ามมันไม่ได้นะเราไม่ได้ฝึกห้ามด้วยนะนเช่นร่างกายเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมันต้องปวดต้องเมื่อยจะเป็นนั่งแล้วก็บอกห้ามปวดห้ามเมื่อยหรือปวดมเมื่อยแล้วจะเป็นนั่งให้ ài, หายปวดหายเมื่อยเนี่ยเข้าใจผิดนะร่างกายมีหน้าที่เจ็บปวดนะีถ้ามันปวดเมื่อยก็ต้องขยับไปมันหิวขึ้นมาก็ต้องไปกินข้าวอะไรเงี้ย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 แล้วก็ไม่ใช่ว่าในสมัยพุทธกาลทุกคนต้องบรรลุเร็วบางคนก็บรรู้ยากลําบากไม่ใช่ว่าทุกคนจะง่ายเหมือนกันหมดคนที่เข้าง่ายเนี่ยเพราะเข้าเคยยากมาแล้วเข้าลําบากมาแล้วไม่มีของฟรีนะไม่มีของฟลุกนะมีแต่ต้องทําเอาทั้งสิ้นเลยวิธีทําก็คือรู้สึกตัวไว้ศัตรูของความรู้สึกตัวคือใจลอยหลงไปโลกของความคิดคิดคิดคิดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีแต่เรื่องคิด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 ร่างกายนี้เป็นวัตถุาธาตุที่มีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออกอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นก้อนาธาตุที่ยืมโลกมาใช้ช่วครั้งโชคกล่าวจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงนี่ความจริงของมันจิตใจไม่เที่ยงคือจิตใจเราทํางานทั้งวันทั้งคืนนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะจิตใจนะแล้วก็จิตใจก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ไดนะ้สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะมันจะชั่วห้ามมันไม่ได้นะห้าม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 เมื่อมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมันสัมผัสสิ่งที่ดีได้มันก็ยังสัมผัสเกี่ยับสิ่งที่เร็วๆได้เห็นของสวยได้มันก็เห็นของน่าเกลียดได้ไได้กลิ่นหอมได้ก็ได้กลิ่นเหม็นได้มันเลือกไม่ได้เนี่ไม่ใช่เลือกจะดมแต่ของหอมๆนะกินของอร่อยได้ก็กินของไม่อร่อยได้บางทีก็ไม่อร่อยเหมือนกันสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายแมบางครั้งก็นุ่มนวลใช่มอ่อนโยนนุ่มนวลแหมสบาย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 ความทุกข์มันตามบีบคั้นอยู่กระทั่งหายใจนะถ้าสติไวๆเนะี่ยจะเห็นเลยเราหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกขนะ์เราต้องแก้ทุกข์ด้วยการหายใจอย่างโน้นบ้างหายใจอย่างนี้บ้างรั้นใจไว้เฉยๆก็ทุกขนะ์ไม่หายใจเลยก็ทุกข์นี่ความทุกข์บีบคั้นตลอดนะคอยรู้อยู่ในกายนี้เราจะเห็นเลยกลายนี้มีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยนะถ้าเห็นอย่างนี้ความรักในกายนี้จะหายไปจะรักทําไมมันเป็นก้อนทุกข์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 รู้ลงในกายรู้ลงในใจถึงส่วนหนึ่งก็มีปัญญาเห็นว่าไม่ใช่เรานี่ขันอะไรที่ไม่ใช่ทุกมีนะขันบางส่วนที่ยกเว้นถือว่าไม่ใช่กล่องทุกเช่นจิตของพระรหัตเช่นะพวกมหากริยาจิตไม่ต้องดูนะไม่ต้องเอามหากริยาจิตมาทาวิปัสสนานะเพราะว่าไม่มีนะพวกเราไม่มีจิตชนิดนี้นะเรามีจิตแต่ที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลที่เป็นวิบากนะเป็นกลางกลาง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 ศา ส, สนาพุทธตกอยู่ในอันตรายที่น่ากลัวที่สุดแล้วศานะ ส, สนาพุทธแท้ๆที่สืบทอดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเทราวาสเหลือนิดเดียวแล้วเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศเหลือในเมืองไทยในลังกาในพม่าอะไรเงี้ยนะในเมืองไทยจริงๆศาสนาพุทธแทบจะเรียกว่าศูนย์ไปล้ะหรือเกือบๆจะศูนย์ไปลนะเราอย่าภูมิใจว่ามีชาวพุทธ90้ากว่าเปอร์เซ็นเะก้าสิกว่าเปอร์เซ็นนั้นเป็นคนไม่มีศาสนาต่างหากนะ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 งัมนุษย์มีที่พัฒนาแล้วนะพัฒนาทางสติปัญญาแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องอํานาจภายนอกเลยแต่ยอมรับเรื่องกรรมและผลของกรรมซึ่งเราทําเองนะแล้วมนุษย์ถ้าจะอยากให้มีสติปัญญามากขึ้นก็ต้องศึกษาธรรมมาเรียกว่าไตรศิษฐาศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องการเจริญปัญญานะเมื่อศึกษาแจ่มแจ้งแล้ว จิตใจก็ไม่ยึดถืออะไรจิตใจดํารงชีวิตสอดคล้องอยู่กับธรรมะล้วนๆเลยคราวนี้จิตกับธรรมะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกจากกันเลยเนี่ยมีความสุขล้วนๆนนี่เป็นพัฒนาการที่สูงที่สุดแล้วที่มนุษย์เคยมีมาแต่พวกเราเคยมีสิ่งเหล่านี้เรากําลังสูญเสียไปอย่างเราเคยมีพระพุทธเจ้าต่อมาเราก็ลดลงมาเหลือพระพุทธรูปนี่ท่านท่านพุทธทาสท่านเคยพูดไว้นานแล้ว แล้วท่านถ่ายไว้ด้วยต่อไปไม่ใช่พระพุทธรูปต่อไปจะไปนับถือรูปจเวิตต่างๆนะซึ่งไม่ใช่อะไราศาสนาพุทธเลยเนะี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้นนะแล้วก็จะเกิดต่อไปอีกหน้าที่ของเราทุกคนทุกคนมีความสําคัญนะต่อสําคัญต่อตัวเองสําคัญต่อครอบครัวสําคัญต่อสังคมที่แวดล้อมอยู่และสําคัญที่จะสืบทอดาศาสนาต่อไปอีกนะให้คนรุ่นลูกรุ่ น, น, นหลานได้มีโอกาสฟังธรรมะเหมือนที่พวกเรามีโอกาส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 เอาไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกหลายคนไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยพวกเราเพียงได้เจอกันมีบุญร่วมกันได้เจอกันบางคนไม่เจอฟังซีดีลูกเดียวเคยมีบางคนนะไม่มีซีดีสมัยแรกๆหลวงพ่อไม่ได้ทําซีดีมีก็เอาเทปมาอ่าของเขาเองมีเทปอยู่ม้วนเดียวฟังจนเทปยืดนะเทปยืดในพร้อมๆกับใจที่ตื่นขึ้นมาแนะม่คุ้มนะเสียเทปไปม้วนหนึ่งนะใจตื่นขึ้นมาดงั้นฟังแล้วฟังอีกนะ ถ้าฟังแล้วจะไปแจกคนอื่นก็ไป c o ก๊อปปี้แจกนะของเราเก็บไว้ฟังก่อนงกไว้ก่อนนะเอาตัวรอดก่อนฟังไปเรื่อยๆจนสติเกิดถ้าสติเกิดแล้วถึงจะรู้ว่าศาสน า, าพุทธไม่ใช่นิยายหลอกเด็กนะมันพ้นทุกข์ได้จริงๆพ้นทุกข์ต่อหน้าต่อตาจริงๆและเป็นธรรมานที่ไม่เนินช้านะให้ผลรวดเร็วมากเลยไม่ใช่ว่าทาไปเธอยีปี30ปีทาไปเธอเดี๋ยววันหนึ่งคงจะดีเองทาไปหลายๆปีก็มีแต่ความทุกข์ บางคนทําไปนะจิตวูบวบว่าๆบอกเป็นพระอรหันต์นะหันไปหันมาตกกษามีอีกแล้วบอกทําไมต้องไปตกกับเขาได้นี่ตกเป็นกิริยานะตกเป็นกิริยานั้นมันเอากันจริงๆนะตกมันไล่กิเลสไม่ได้ไม่ใช่ของจริงนะของจริงนะฝึกลงไปต้องไล่กิเลสได้จริงๆมีความสุขขึ้นมาได้จริงๆค่อยๆฝึกไปนะอะวันนี้เขาไม่ตั้งนาฬิกาให้ดูนาฬิกาเสียอ๋อเร็วปรมัน หมดเวลาอย่างรู้สึกไหมหจิตใจมีความสุขนะคนส่วนใหญ่จิตใจมีความสุขนะรู้สึกไหมหตอนนี้ส่วนใหญ่จิตนิ่งนิ่งนะจิตเริ่มนิ่งลงนะให้คอยรู้สึกหมดเวลาเทศอี่านะบางคนก็อยากฟังอย่างเดียวนะบางคนอยากถามอยากถามเนี่ย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 เนี่ยดิฉันภาวนาแล้วจิตมันว่างไปหมดเลยแล้วจะทํำยังไงอ่าว่างแล้วก็รู้ว่าว่างสนะิว่างแล้วต่อไปมันก็ไม่ว่างมันก็ไม่เที่ยงนะภาวนาแล้วเป็นอย่างโ น, น้นภาวนาแล้วเป็นอย่างนี้เดี๋ยวค่อยฟังคําตอบนะคําตอบเหมือนๆกันหมดแนอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนคิดจะถามนะแล้วก็ดูเอาเองก็ไม่ต้องถามนะไม่ต้องถามเหมือนหลวงพ่อสมัยก่อนไปหาครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเราเข้าไปหาง่ายเพราะว่าคนที่สนใจปฏิบัติมีไม่มากอรอกมีไม่มากแล้วครูบาอาจารย์มีมากเฉลี่ยกันไปเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์มีน้อยใช่ไหคนก็ไปชุมนุมล้อมไว้ไม่สามารถสอนทีละคนได้สมัยก่อนไปหาครูบาอาจารย์บางครั้งสงสัยภาวนาไปแล้วเกิดความสงสัยนี่ขยับจะถามขยับจะถามนะเอาไว้ดูก่อนนะ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 เราจะเชื่อใครดีเนยะขยับนะเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์สอนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าถ้าจะยังไงนะลังเลเหมือนกันน ะ, ะสงสัย <c oughs> เวลาเจอท่านนะขยับจะถาม <c oughs> เดี๋ยวเอาไปดูอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อ ย, อ ห, นอยอหน่อยนะจนท่านมรนภาพเป็นแถวแถวไปหมดแล้วนะ <c oughs> สุดท้ายเอาจะถามใครล่ะต่อไปนี้นไม่มีใครให้ถามแล้วว่าจะดูตัวผู้รู้หรือจะดูสิ่งที่ถูกรู้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 มัวไปยุ่งกับโลกบ้างอะไรบ้างนะมุช่วงก็มัวสัว่วอยู่กับโลกไม่ค่อยได้ภาวนามากนะักแค่ภาวนาเล็กๆน้อยๆประจำวันเป็นข้อวัดปฏิบัติไปแต่ไม่ได้ภาวนาจริงจังแล้วตอบปัญหาข้อนี้ไม่ได้ดนะังนั้นนึกถึงพวกเซนพวกเซนบางทีเขาตั้งเขาเรียกอะไรนะอูอานใช่ไหมตั้งคําถามหรือตั้งปริศนาธรรมขึ้นมา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 นี่ท่านท่านอาญีรู้แล้วว่าภาวนานี่ทํายังไงถ้าเราเห็นพัดลมรู้ว่าเป็นพัดลมนี่แหละเรียกว่าภาวนา <c oughs> ไม่ใช่นะเห็นพัดลมรู้ว่าเป็นพัดลมคนไม่ภาวนาเขาก็รู้ใช่ไหมนั้นรู้โดยสมมติโดยปัญญัตดอาศัยความจําแต่ถ้าเห็นพัดลมแล้วอยากขีู้่กลับบ้านรู้ว่าอยากขีู้่กลับบ้านนี่ถึงจะภาวนาเห็นพัดลมแล้วรู้สึกตีฉีด น, นินทาโอ้ยกระจกที่บ้านฉันดีกว่านี้อีกเนี่ยรู้สึกดูถูกเหยียดหยาม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 อย่าไปประคองตัวรู้ไว้อย่าไปประคองตัวเห็นไว้อย่าไปรักษามันขออยากเองนิดนึงค่ะคือคือบางครั้งช่วงขณะที่เห็นน่ยบางทีก็จะเห็นกายตัวเองมันคือเป็นกระดูกแล้วมันก็หายไป<ม>บางทีก็ดู<ม>แต่ละส่วนมันก็หายไปหมดเลยเนะค่ะก็ดูตามความเป็นจริงคนเพราะว่าเออสิ่งที่สิ่ง ท, งที่ที่เห็นกับตัวที่ไปเห็นคือความรู้ที่ไปรู้มันมันก็แปกวนแต่ตัวที่เห็นมันยังอยู่เนะคะ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 เป็นน <Enemy. S 2> ิมิตเห็นตามความเป็นจริงนะั่นลองสัมผัสดูสิของจริงนี่เป็นอะไรลองรูปดูตัวนี้บอกไหมว่านี่คือแขนของเราตัวนี้ไม่พูดเลยดนะังนั้นการรู้ด้วยอํานาจของสมาธิมันก็จะรู้อะไรที่เกินธรรมดาแต่รู้แล้วมันซาบซึ้งถึงอกถึงใจมันข่มกิเลสบางอย่างได้เช่นข่มกามไดนะ้พอเราพิจารณาลงไปเห็นตัวเองเป็นร้างโครงกระดูกมองคนอื่นก็เห็นเป็นโครงกระดูกน มันไม่มันข่มกามนะการที่มันข่มกามได้มันเป็นสมถะเป็นสมถะนะเกิดจากการเพ่งกายแต่ว่าถ้าเราเฝ้ารู้ลงไปเราเห็นในร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนที่กระดุกกระดิกที่คู่ที่เหยียดเคลื่อนไหวอยู่ที่ทํางานต่างๆนานาอยู่นี่เป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรารู้สึกหยุดต่อหน้าต่อตานี่เลยตัวที่กําลังกระดุกกระดิกมันไม่ใช่เราหรอก นี่รู้สึกอย่างนี้เรียกว่ารู้ตรงความเป็นจริงค่ะแต่ถ้ารู้แล้วเห็นนี่มีแสงสีรูปร่างเห็นเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะเกินจริงเป็นผลของสมาธิค่ะแล้วตัวผู้รู้อย่าไปรักษาไว้ควบคุมไมโครโฟนเขาไม่ยอมนะขอบพระคุณมากค่ะอ้าวว่าไปหงมมามสกังแล้วบ้าไงไหม ตอนตอนนี้หนูตื่นเต้นนะคะแล้วอยากส่งกันบ้านหลวงพ่อเพราะว่าก็ปฏิบัติมาได้สักพักนึงค่ะว่าทําตรงจริตหรือเปล่าแล้วก็ที่ทําเนี่ยถูกต้องไหมถูกถูกต้องดูงไปเรื่อยๆนะใช้ได้ค่ะเห็นกิเลสแล้วตอนนี้ขอลุกค่ ะ, ะให้รู้ลงไปนะเกิ <c oughs> อดอะไรขึ้นรู้รูปเดียวค่ะหลวงพ่อถ้าหนูมีสองอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากถามก็คือ อาการเหมื่อค่ะคือบางทีเวลาหนูเมื่อหรือว่าเวลาที่ร่างกายมันเหนื่อยมากหนูจะเม่อพอเหมื่อเนี่ยหนูจะรู้ว่าเม่อแต่มันจะอึ้งๆอยู่สักพักหนึ่งมันไม่ได้ขาดนะคะแล้วก็กแล้วก็จะ<า>ค่อ ย, อยาหายเม่ออยากให้ขาดไหมก็อยากให้ขาดเออไปดูอยากนะจิตมันมีกิเลสอยู่จะขาดได้ไงจิต<อ>มันมีความอยากอยู่ใช่แล้วก็อีกอาการก็คืออาการเสงตัวเองอะค่ะเซ็งให้รู้ว่าเสง็ง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 อย่าขี้เกียจ น, นะพี่ภาวนาใช้ได้แล้วดีละใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วดีวนนเด็กหน้าตาใสาๆเยอะอนนกานมัสการหลวงพ่อจ้าค่ะยอมข<พ>ออนุญาตส่งกันบ้านจ้าค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวก็จะตื่นขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นถึงความอยากอย่างเช่น ว, ว่าเกาอยากจะไปเกาเริ่มเห็นตรงนี้แต่ว่าพอเ อ, อ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 ในวัฒนการหลวงพ่อครับคือวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านหลังจากปฏิบัติในสัปหักเสร็จแลนะครับคือจะเรียนถามว่าคือวันหนึ่งมันเกิดความรู้สึกขึ้นมานะครับว่าคือวันนึงนี้ไปอยู่กีฬามาอย่างหนึ่ปกติเนี้ยเวลาดูเนี้ยจะมีการตื่นเต้นไปกับกีฬาตา่างๆด้วยแต่เพิ่ว่าวันนั้เนี้ยเกิดความรู้สึกว่าคือความตื่นเต้นมันก็ยังอยู่แต่ว่าใจอย่างนี้มันก็ชุกเฉินเรารู้สึกว่ามันมันไม่ไม่ ใจไม่ไหลไปตามใจครับใจใจเหมือนตอนนี้ไหมก็ตอนนี้ตื่ตเต้นมันก็มีอยู่ใช่ไหมใช่เฉยๆก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ครับอันนี้เกิดจากการที่เรายัางประคองความรู้สึกตัวไว้นะมันจะมีตัวหนึ่งนิ่งตัวอื่นเคลื่อนไหวแต่มีตัวหนึ่งนิ่งกว่าความเป็นจริงนะงั้นถ้ายัางภาวนาแล้วมีตัวหนึ่งนิ่งกว่าความเป็นจริงเนะี่ยยังไม่ใช่ยังจงใจปฏิบัติอยู่ไม่ปล่อย จะต้องดูดูไปตามธรรมชาติดูไปตามธรรมชาติอย่าจงใจมากลดความจงใจลงแล้วมันจะพอดีจงใจแรงไปเน่ใจหนีไปคิดทราบไหมใจไหลไปก็รู้สึกเนี่ยตองตสังเกตไหมตองที่รู้สึกเมื่อกี้เนี่ยใจโล่งขึ้นมาตอนเนี้เริ่มไปกดให้มันนิ่งอีกแล้วดูวออกไหมดูออกครับอย่า ก, กดมันมันไม่ดีก็ได้นะเราไม่ได้ภาวนาเอาดีไม่ได้ภาวนาเอาความสุขไม่ได้ภาวนาเอาความสงบ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 ทำอะไรไม่ได้เราไปฟังเพลงสักเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นตัวล่อหรือทำอะไรไม่เป็นพุโทโธลูกเดียวไม่รู้จะทำอะไรแล้วพุโทโธไปหรือว่าทำอะไรที่เป็นกุศลขึ้นมานะซื้ออาหารไปเลี้ยงปลานะตามแม่น้ำอะไรเงี้ยจิตใจมีความสงบมีความสุขขึ้นมาเพราะมันได้ทำบุญนะใจก็ตั้งมั่นมารู้กายมารู้ใจต่อไปการปฏิบัติก็ต้องเดินอย่างนี้นะ ไม่ใช่ภาวนาแล้วจะเจริญสติรวดไปเลยมันแห้งแล้งไม่มีเรี่ยวมีแรงพอจะต้องรู้จักพักเหมือนกันอใครจะคุยต่อหมอสอกายของพ่อค่ะผลิตแบบหนเนี่เหมาะจะดูสิตวะค่ะแล้วจะดูยังไงหมอหมอเป็นคนช่างคิดหมอที่จะดูจิตเราจะดูยังไงะเหรอรู้จักโมโหไหมเคยโกรธไหม เคยอยากไหมอยากดูหนังอยากดูการ์ตูนอยากกินขนมเคยไหมเคยค่ ะ, ะเคยอิจฉาไหมเคยค่ะอิจฉาใครอิจฉาน้องไหมไม่ค่ะไม่เนา ะ, ะนี่เกรงใจเพราะน้องมา ด, ด้ว ย, นะ เ, ยคเคยรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันเคยค่ะอ่เนี่ยเห็นมไหมอะไรๆเราก็รู้ใช่หไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ความรู้สึกในใจเราเป็นยังไงนะรู้ว่าเปลี่ยนอย่างนั้น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 ต้องอยู่หรือเปล่าใช่ได้นะดีแล้วใจก็ตื่นแล้วละ่ะรู้สึกไหมจิตฟุง้งซ่านรู้สึกไหมถ้ามันว่างๆนะจิตก็หนีไปเที่ยวจิตนี้หนีก็รู้นะไม่ใช่ว่าห้ามบางคนร้อนแตนั้นก็พวกเราเยอะเกินหพอขอโทษครับขอขอีกนิดนึงได้ไหมครับอาว่าไปที่ผมก็ปฏิบัติอยู่ตามที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ไปใช่ได้ดูไปเรื่อยๆนะ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 นั่นแหละไปฟังซีดีต่อค่ะกล่าบหลงพ่อค่ะนี่ซีดีของหลวงพ่อแก้พวกเพลงได้ด้วยนะหลอกให้ฟังไปเรื่อยๆ ล, ล, ลืมเพลงเ อ, อกรรมนะกรรมสักการหลวงพ่อครับอะไรางานผลงการปฏิบัติครับคือผมเห็นจิตเนี่ยเมื่อเกิดการกระทบอารมณ์ทางัตาหัวตาัวนิงกายใจแล้วก็จะเกิดสภาวะติดต่อกันเป็นเหตุเป็นผลของการละกัน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 มันเห็นโดยที่เราไม่ได้จงใจมันเห็นของมันเองเลยค่ะ uh huh. พอมันเห็นปุ๊บมั น, นรู้ว่าโอ้ยความดับเนี่ยมันอยู่ตอนท่าต่อตาเราเองเ uh huh. มื่อเราเห็นเกิดปุ๊บจริงๆก็คือดับนั่นแหละครับก็ถ uh ูกแล้วแต่ว่าต้องลดความจงใจลงนิดนึงนะจงใจแรงไปเอความจงใจรู้สึกว่ามันพอพอเห็นความดับแล้วความจงใจก็จะลดน้อยลงไปมากพอสมควรตอนนี้มัน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 รู้เล่นๆนะต้องภาวนาอย่างมีความสุขถ้าภาวนาแล้วจริงจังเกินไปมันจะเคร่งเครียดจิตใจไม่สบายครับแค่นี้ครับลดความจงใจลงนิดนึงนะนิดเดียวนะลดมากขี้เกียจคุณครับการวัตรการของพ่อนะครับคือเมื่อก่อนจิตเพ่งครับผมตอนนี้ก็มาดูว่าตไหนเพ่งตอไหนเพ่งดูไเรื่อยๆจนมันรู้อันหนึงจะเห็นอาการของ พ อ, อปุ๊บมหยประคองตั้งเลยมันจะลุกคือเมื่อก่อนจะไม่เห็นนะครแต่พอฝึกดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะการประคองชัดมากอืพอรู้ทันมันก็จะหายออืผมใช้เวลาในการฝึกดูเรื่องเพ่งเนี่ยเกือบปีนะกว่าจะหายเพ่งเนี่ยครัตัวนี้ยากยากที่สุดเลยเพราะว่าติดสมถะเนี่ยนะแก้ยากมันติดแล้วเพ่งพอเพ่งแล้วมันรู้สึกดีบางทีเพ่งแล้วก็รู้สึกว่ารู้อะไรได้ชัดเจนรู้ได้มาก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 มีอยู่ครั้งหนึ่งไปทำเผยทำติดติดมาใจหมองครับก็คือรู้รู้ทันนะครับคิดเรื่องแต่ว่ามันไม่มันทํามคิดมันหายแต่ว่าความหมองของใจมันไม่หายเป็นวิบากใช่ไหมครับเป็นวิบากวิบากครับผม ต, ต้องชดใช้ครับผมเป็นวันนะครับกว่าจะหายครับผมแต่ก็ยังเวลาเราไปทํากรรมชั่วมานะกิเลสดับไปแล้วการจระทํากรรมเสร็จไปแล้ว แต่ใจนั้นเศร้าหมองไปอีกพักหนึ่งเลยมัวมวขุนขุนไม่แช่มชื่นเนี่ยใช่ครับเป็นอีกช่วงหนึ่งต้องต้องชดใช้นะดีกว่าชดใช้ในนรกนะใช่ตอนเนี้ครับผมขอถามเรื่องสัมปันธาหนยได้ไหมครับสัมปันญานี่คือปัญญาเบื้องต้นใช่ไหมครับใช่ฉะนั้นสัมปันญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตมาสติถูกไหมครับใช่คือจริงๆแล้วต้องอาศัยการมีสติทั้งหมดนะนะกุศลถึงจะเกิดขึ้นได้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 นี่เรียกว่าอาศัมโมหะสัมปัชัญยะสัมปชัชชะญะชนิดที่4เวลาทําแล้วไม่หลงไปทําอย่างอื่นนี่พอเรามีสัมปัชัญญะคล้ายๆเป็นคนกํากับเส้นไม่ให้เดินออกนอกลู่นอกทางมีสติรู้กายรู้ใจไปมีสัมปชัญยะกํากับไม่ให้หลงไปเพ่งกายเพ่งใจใกลายเป็นสมถ t h เสียอย่างนี้มากเข้ามากเข้าต่อไปก็เกิดปัญญาปัญญาในระดับที่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาอันเป็นโลกยียะก็จะเห็นเป็นปัญญาที่เห็นว่า ทั้งรู ป, ประธรรมทั้งนามรธรรมมีแต่เกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกรดับเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจนี่เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งลนะเป็นปัญญาในระดับวิปัสสนาะต่อไปมีปัญญาแจ้งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเห็นอริยสัจปัญญาที่เห็นอริยสัจเรียกว่าวิชาวิชาพล้างอวิชาลงไปดังนั้นดีกรีของปัญญานะมีหลายตัวตัวแรกเลยก็คือสัมปชัญญะเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไร จะทําอย่างไรระหว่างทําไม่หลงไม่เผลอไปใช้ได้อย่างนั้นอ่าครับผมคือตอนนี้ในรูปแบบของผมคือสวดวัดเช้ากับวัดเย็นใช่ไหมครับผมแล้วก็เคลื่อยบบมือตามในตสายของหลวงพ่อเทียนอยู่นะครับผมอยู่อยู่ที่บ้านใจเหมือนตอนนี้ไหมไม่ค่อยเหมือนครับเออใช้ได้ตอนนี้มันจะตึงๆมาอยู่ครับเพราะไปตึงความรู้สึกไว้ครับผมระวังนะสายหลวงพ่อเทียนหลังๆคําสอนเคลื่อนจากที่หลวงพ่อเทียนสอนไปเยอะอ่ะครับผมที่เป็นหลัก จริงๆเลยก็ถ้า ใ, ใจคำเขียน ใ, น ใ, นใจคำเขียนเนียอยางส่งคำสอนลงพ่อเทียนได้บางคนนับระพันให้ไปเพ่งใส่มือเบื้องต้นต้องเพ่งไว้ก่อนเน่ยหลวงพ่อเตียนบอกไม่ให้ทําสมถะหลวงพ่อเตียนกลัวลูกเสด็จสมถะท่านบอกร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกจิตเคลื่อนไหวให้รู้สึกให้รู้สึกไม่ได้ให้เพ่งรู้สึกรู้กับเพ่งไม่เหมือนกั น, นเพ่งมันเกิดจากโลภะอยากรู้ให้ชัดๆอยากไม่ให้คลาดสายตาแล้วถ้าล่ำลงไปจ้อง ในติดจิตตอนนี้จิตจิตติดเพ่งติดเพ่งครับผมตอนนี้ทันทีเพ่งเลยครับผมประคองอยู่ด้วยที่ทําอยู่ทุกท่านที่ใส่ใจครับผมรู้สึกไม่ใจเราค่อยเหมือนเหมือนมันเปิดออกเปิดออกครับผมครับแต่ว่าหน้านี้มืดมากเลยครับผมครับยังเรียกว่ามืดมาสว่างไปครับนมาสการหลวงพ่อขออนุญาตเขาโอกาครับผมครับหลวงพ่อผมถามว่าเวลาผมนั่งนะฮะบางครั้งแข็งทื่อเลยฮะ แต่บางครั้งก็สบายเบาแล้วก็เมื่อกับเรือแต่ลมหายใจที่โยมทำมันเป็นสมถะเราใช้สติไประลึกรู้ลมหายใจถ้าเราระลึกรู้แบบสบายๆไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสงบจิตก็จะรวมสงบลงไปแล้วมีความสุขเบาๆแต่ถ้าเราหายใจไปแล้วเราก็ไปเข้นใจไปบังคับใจจะให้มันสุขให้มันสงบเนี่ยมันจะเครียดขึ้นมา หรือบางทีเพ่งมากไปนะพอเพ่งมากไปเนี่ยจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ที่ลมหายใจครับแล้วตัวก็แข็งไปเลยกระดูกกระดิกไม่ได้ดังนั้นที่ที่โยมทําอยู่ยังเป็นสมถะนะครับเนี่ยจากสมถะเนี่ยต้องหาทางพลิกขึ้นสู่วิปัสสนาให้ได้ไม่อย่างนั้นเราจะเสียโอกาสครับผมนะการพลิกจากลมหายใจขึ้นวิปัสสนาเนี่ยให้โยมนั่งหายใจเล่นๆหายใจเล่นๆนะไม่จริงจังไม่ได้มุ่งเอาความสงบเป็นหลัก หายใจไปแล้วก็ค่อยๆดูไปร่างกายที่หายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเห็นไอคนเนี้ยมันหายใจคือเห็นตัวเองนั่งหายใจไปเรื่อยๆใจเราเป็นแค่คนดูเห็นมันหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยๆการหายใจที่ดีต้องหายใจออกก่อนถ้าหายใจเข้าก่อนเนี่ยใจจะแข็งๆเริ่มต้นหายใจออกเนี่ยมันจะรู้สึกผ่อนคลายเพราะฉะนั้นพอเราก็รู้ไปรู้ร่างกายหายใจด้วยความผ่อนคลายไปอย่างนี้ก็ใช้ได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราหายใจไปแล้วจิตแอบไปคิดเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดละแล้วจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจละครับจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขและจิตเหลอรู้ว่าเหลือจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังงั้นนี่ก็เรียกว่าการอาศัยลมหายใจเป็นฐานไวเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมแล้วเราก็ตามรู้จิตใจของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ใช้ได้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 แค่รู้สึกตัวก็มีความสุขแล้วแต่ก่อนต้องไปนั่งสมาธิตั้งนานกว่าจะมีความสุขใช่ครั บ, ครบแค่จริงใจเราเป็นกุศลขึ้นเมื่อไหร่ใจก็มีความสุขขึ้นเมื่อนั้นเลยเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นก็เป็นกุศลเรียบร้อยแล้วขอหนุ่ยใจนิดหนึ่งครับหลวงพอ่อที่หลวงพ่อที่ว่านอนตะแคงซ้ายหรือนอนตะแคงขวานอนตรงยังไงฮนะที่นอนที่ถูกหลักอกะไรในการภาวนานอนถูกหลักกนะก็คนะือนอะนแบบรู้สึกตัวไว้อย่าไปนอนนานเกินไปครับ <laughs> นอนพอสมควรพอหายเมื่อยพอหายง่วงแล้วก็คอยรู้ถ้าร่างกายมันยังอิดโรยอยู่ใจมันรู้สึกขึ้นมาแล้วก็นอนดูใจต่อไปครับแล้วก็นอนดูร่างกายมันพลิกซ้ายพลิกขวาอย่าไป น, นอนท่าเดียวนะเดี๋ยวเป็นแผลกดทับครับ <laughs> ครับผมครับรานามสการกราบนามสการคร่ะพระอาจารย์ก่อนอื่นต้องขอขับคุณพระอาจารย์นะคะ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 ขอบพระคุณคะ่ะอาจารย์ลดการบังคับลงนิดนึงบังคับแรงไปรู้เล่นๆ น, นะอย่าจริงจังมากบ้านหงพ่อนะคะเมือ่อสามสี่เดือนก่อนนะคะโยง ม, มาถามหลวงพ่อนะคะเรื่องการภาวนาเโยมนะั่งภาวนาแล้วค่ะจิตมันรวมนงนะคะแล้วก็เกิดปิตินะคะแล้วก็ผ่านไปแล้วนะคะก็เมื่อตนหลังก็เห็นไหวๆแล้วค่ะใช่ไหมคะไม่คือ พอพอนั่งพอนงหลับตาปุบอยากเห็นด้วยวันนี้นิหาลวงพ่อแก่แล้วหูตึงค่ะเอาว่าไปเห็นไหวๆแล้วอะหลวงพ่อก็แนะนาให้ดูอะไรไหวๆไปอะค่ะโยมก็ภาวนาก็ดูไหวๆไปนะคะทีนี้พอพอตอนหลังเนี่ยแบบคือมันไหวแรงมากค่ะแบบรู้สึกว่าตัวเนี่ยโยกพอลืมตามบองก็ตัวก็โยกตามที่ไหวไๆด้วยนะคะให้ดูใจเรานะไม่ได้ไปดูที่ไหวไหวแค่รู้ว่ามีอะไรไหวไหวขึ้นมาตัวสําคัญคือต้องดูใจของเราเอง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 แล้วสุดมันก็ไหวด้วยบบบอะค่ะไม่ออกสแม้<ห>แต่ธรรมดาคุยกันยังไหวเลยเวลาคุยกับเจ้านายไม่ใช่เวลาเจริญสติเ ป, เป็นเป็นเวลาทํางานต้องไปคิดเรื่องงานนะถ้าเจริญสติจะคิดอะไรไม่ได้เจริญสติเดี๋ยวเจ้านายสั่งงานหูสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าได้ยินนะปลายปีเขาก็แจกซองให้ค่ะทีนี้โยมก็ดูวิ่งไปตามภาวนา น, นะคะ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 มันก็มันมันก็หยุดคิดนะคะไหวก็จะแรงมากเลยพักหนึ่งมันก็จะหายไปหลังๆไอ้ไหวๆนี่ก็หายไปค่ะต้องลดลดความจงใจลงนิดหนึ่งถ้าคอนซูเนตแรงก็ไหวแรงถ้าสมาธิมันนํำไปสมาธิมากเกินไปลดสมาธิลงคือมันเป็นเองแล้บังคับอะไรไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อพอล่างๆไอ้ไวๆกหายไปเลื่อนไหวไปไปเดินบ้างอะไรบ้างเรดิดียปวดไปอย่านั่งรวดเดียวไปดู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 เอาไปดูคนอื่นได้ค่ะทีนี้คือคือนานมาแล้วนะคะก็มีหลวงปู่รูปหนึ่งแนะนําว่าเวลาจัดรวมแล้วนะคะพอพอพอออกมาเนี่ยให้รพิจารณากายะคะ่ะโยมก็พยายามพิจารณากายเนะแต่พิจารณาอย่างไรก็ไม่เคยเห็นเลยกระดูกไม่ได้ไ เ, เห็นสัิตมันไม่ตรงกันถ้าไม่ถูกเจริตมันก็เดินไม่ได้เพราะงั้นพอจิตรวมนะจิตถอยขึ้นมาเนี่ยให้ดูจิตไปเลยแสดงว่าควรจะพิจารณาดูจิตอย่างเดียวไม่ต้องดูกายเลยใช่ไหมไม่ได้หรอก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 ลูกไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าได้ฟังของหลวงพ่อจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็แล้วไงสามีมาด้วยออตอนขอเล่าสั้นๆ น, นะเจา้าเออรองของสามียุครบรอบแ0ดสิปีใช่ไหมคะสามีก็ไปงานวันเกิดของเอ่อของของสามีนะฮะลูกก็ถามว่าเธอเธ อ, อไปวันเกิดของลงพ่อเธอเนะ่เธอเอาของขวัญอะไรไปให้เขาก็ไม่ได้บอกลูกนะเขาบอกไม่มี พอดีลูกได้ปัดลูกคอยไปตอนกลางคืนนะคะพอดีเขากลับมาลูกก็ถามเขาว่าเอ๊ะลูกก็ฝึกของไม่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ลูกกระถามเขาบอกว่าก็เอาทองไปให้พ่อเขาเองเป็นของขวานกบอกเอ๊ะนั่นมันทองของฉันนะมันโมโหขึ้นมาทันดีเลยค่ะ<ม>ก็รู้ว่าโมโหนะคะ<ม>ก็เดินไปคือว่าจะว่าลูกฝึกตามระเบียบของหลวงพ่อที่เคยก็ไม่ได้มากมายแต่ว่าพอไปส่องกระจกในห้องน้ำล้างล้างหน้ า, า, าไป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 ตลอดเกือบตลอดเลยนะคะเนี่ยเวลาฝึกแบบที่หลวงพ่อทาให้ฝึกนะไม่ใช่ไม่รู้กายนะรู้กายเก่งกว่าพวกรู้กายทั่วๆไปนอนหลับอยู่นี่ฟลิกซ้ายพลิกววารู้หมดเลยแล้วบางทีสวดมนต์นะคะปากรู้ว่าเออเราปากขยับสวดแต่ว่าใจไปคิดไปแล้วบางครั้งลองดูนะคะแค่อีดีปีโสยังไม่ทันสว่างคาตัวได้ต้องเป็นแบบ ห้าสี่หิครั้งทําไมจิตแล้มันคิดมากขนาดนี้ถูกต้องครภาวนาเก่งสติเราเกิดบ่อยเพอเวลาใจไหลแวบนิดเดียวเราก็รู้สึกแล้วมันอยู่ได้ชั่วคราวรู้สึกได้ช่วคราวก็หนีไปคิดอีกก็รู้สึกเพราะงั้นส่วนมนรทไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันใจที่ไหลแวบแวบแวบแวบไปเรื่อยยิ่งได้สักสองวินาทีครั้งหนึ่งยิ่งดีคือว่าลูกอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าสภาวะจิตของลูกในขณะเนี้มัน ปฏิบัติแบบบางทีไม่ตั้งใจจะดูหรือไงฮะนะ่ะนึกได้ก็ทํานึกได้ก็ทําอย่างนี้กันถูกต้องไหมเฉพาะถูกถแต่นึกบ่อยหน่อยน ะ, ะ, ะไม่ได้นึกวันละครั้งนะขอบคุณรู้สึกรู้โดยไม่ได้จงใจจะรู้นะใช้ได้หมดเวลาแล้วครับก็ร่วมกันออนุมโมทนานะครับเราสวายฐาน ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายเครื่องปัจจัยเท雅ธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สูงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทินรับผนะ่อนหน้ายะถาวาริวาาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวเมวัยโตัินังเพตาณังอุปกระปติ กิตตังปฏิตตังตุมหังชิปะเมวาสมิชตูสัเพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปันรโอยาถามณีโชติรโสยถ า, า, า, าสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพรโรโควินาสตูมาเตปวัตวันตรารโยสุทีที่คายโยโภพวะอภิวาฒนาศีลสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขขัง บัจจงันพวาตุสัาพมังกรังรักขันตุสัปเทวตา